คุยธรรมะในวันนี้เราก็มาพูดถึงข่าวคราวบ้านเมืองต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นทางท่านฟังโทรทัศน์หรือว่าตามสื่อที่เป็นส่วนใหญ่โดยดูตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์อย่างนี้แม้มันมีแต่ข่าว ค่าการยิงกันเรื่องที่ไม่ดีน่ะเป็นส่วนใหญ่เรามาดูดูข้อมูลแล้วบางทีเราจึงต้องมีวิธีการที่จะเสพข่าวฟังข่าวดูข่าวว่าจะทําอย่างไรจึงจะทําใจของเรามันได้รับการคุ้มกันป้องกันในสมุนวัน อันนี้วรรณสารแมกกาซีนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆแล้วเราหยิบขึ้นมาดู แล้วจริงๆเราก็จะไปรับรู้อ๋อนี่ภาษาไทยไทยภาษาอังกฤษมันมีความหมายรู้ว่าเอ่อนี่มันตัวหนังสือ นะเราสูญหายมีความเอ่อรู้สึกนะต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะพอเราหมายรู้ว่าเอาอันนี้เป็นข่าวดีอันนี้ข่าวไม่ดีอันนี้ข่าวฆ่ากันอันนี้ข่าวให้ ซึ่งสิ่งที่หมึดเราฟังวิทยุหรือฟังทีวีในทีวีเค้าก็ออกข่าวทุกวันทุกวันเนี่ยนะเราฟังทีวีมันเสียงมันผ่านมาทางหูเนี่ยเราก็ต้องคอยที่จะป้องกันในปุชา 6 ประตูเอาพูดหูเนี่ย เอ่อสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์วิทยุพวกนี้ก็จะเข้ามาทางเอ่อตาแล้วก็หู น่ะก็เป็นคลื่นน่ะที่มีการสั่นสะเทือนมาตามอากาศโมเลกุลของมันสั่นสะท้อนกันมาแล้วๆๆอยู่สั่นๆแล้วมันก็ มันก็แค่เป็นแค่ธาตุธาตุหนึ่งเป็นลักษณะของเสียงเสียงหนึ่งไม่ได้เป็นอะไร หรือเอาแว่นดำมาใส่ก็มองไม่เห็นอย่างอื่นนะไม่ใช่ปิดตาไม่ใช่ เป็นไฟเป็นลมมันก็มีอยู่หมดพอมีสิ่งที่เป็นดินในยังในขาทั้งหมดเนี่ยเอ่อเราก็เลือกสิ่งที่เป็นกุศลในสมมุติเราเห็น นะเป็นเครื่องเตือนสติว่าเออคนอื่นทําฉันจะกูดกล่าวฉันจะไม่ทําอย่างนี้ก็ได้คือเราหยิบส่วนที่เป็นธรรมธาตุในสิ่งที่มากระทบ อันนี้เป็นธรรมเป็นตัวอย่างสิ่งที่มันไม่ดีที่มันจะจริงๆสิ่งที่ไม่ดีที่มันมี ให้มันกลายเป็นสิ่งดีในจริงของเราเองคุณถึงว่าทําไม่ๆนะสิ่ง นั่นดีๆเอาเข้ามาเข้ามานะเรื่องราวดีๆที่มันจะขึ้นมันจะเกิดมัน คนนี้อันนี้มันไม่ดีแล้วไม่ทําคุณหนึ่งก็ทํากันเราเลิกอย่างเงี้ยเรามองเห็นแค่มุมดีแค่เสียงมันเป็นแค่แสงมันเป็นแค่คลื่นแค่อะไรต่างๆ3 ในการที่จะเสพ แต่เราสํารวมอินซีเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่น ดูก็ไปในข้างในแยกเป็นส่วนๆมาอาจจะเป็นอย่างหนึ่งเรา แล้วสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนนั่นก็คือการที่เรามีศีลนั้นถ้าเรามีศีลเรา 8 ด้วยก็ได้ศีลตัวนี้ มันไม่จําเป็นต้องไปบุญบีบุญหมายๆมันเป็น นะหรือบางทีมันอาจ 5 นาที 10 นาทีบางคนครึ่งวันบางคนหลายวันอัน ข่าวจะไม่อยู่ในหัวของเรานานนะหรือถ้าแล้วคนที่จะมาลืมสิ่ง ไม่ควรลืมอันนี้เป็นสิ่งที่ควรต่ําจะทําอย่างนี้ ได้รู้ได้สัมผัสต่างๆนี่มาได้เพราะฉะนั้นในช่วงของการคุยธรรมะนะกับ 6 ใน อีกประการนึงก็คือว่าถ้าเราเสพข่าวนี้ๆนะที่เป็นกุศลเลิกซื้อพิมพ์หัวสีๆโอ้ยไม่ต้องไปรู้หรอกรู้มาพอแรง นานขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงคุย 106 puredhamma puredhamma/com/106